เวลาฟังคําสิ่งที่สําคัญที่สุ่วนใจเราฟังร้อมสำหรับธรรมะขนาดพระพุทธเจ้าเวลาท่าจะเทศน์ท่านไม่เทศน์สูงสิส้นมากท่านจะรอจังหวะเวลาใจของคนฟังพร้องไม่ติแสดงคํางครั้งกว่าใจจะคล้องตึงเกินในตั้งแต่ปิโดกจะมีะสูตรหลายสูตรอะไรที่พูดถึง ตัแต่บวชค่ำนะพระก็นั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ได้รีบหน่อยกนั่งไปแล้วท่านก็เทศธรรมะสั้นๆเลยรบ้างมีก็ น, นั่งสมาธิอะไรที่นั่งไปจนดึกท่านก็บอกพระสารีบุตรบ้างบอกพระเทเรซผู้ใหญ่บ้างตอนนี้พิสูจน์ทั้งหลายปราศจากนิวรจิตต่ิสูจนทั้งหลายปราศจากนิวนสนระสมควรจะธรรมแล้วล่ะ แต่เราจะตัดก็ตอนนี้เมื่อหลังเต็มทีแล้วนะเราจะเห็นหลังนะให้สา ร, รีบุตรแสดงธรรมขนาดพระพุทธเจ้านะถ้าจิตของคนฟังไม่พร้อมนะี่ประเทไม่มีประโยชน์เ ไ, นะไม่เกิดประโยชน์ที่ท่านจะแสดงครรหรือมีคราวหนึ่งพระพาหิยะเที่ยวแสวงหาตามหาพระพุทธเจ้าตามมาเดินมาได้เจ็ดวันเจ็ดคืนแกอยากจะมาฟังธรรม ใจร้อนอยากฟังธรรมมาถึงวันเป็นคร้างบอกว่าพะุเจ้าออกไปบินเทป่ให้รออีกที่วันท่านก็ไม่รอาตามไปถึงที่พระพุทธเจ้าบินเทป่จะขอฟังธรรมถามครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาครั้งที่สองก็ยังไม่ใช่ครั้งที่สามท่านก็ถึงแสดงครับท่านรอความพร้อมของคนฟังคือหลวงพ่อถามใจของเราลำวิญ ย, อยาณขนะนี้ใจของเรามีนีวอนไหม แย่าตอนนี้ใจของเรามีการมาฉันทะไหมชอบอยากจะหาความสุขความสบายอะไรไหมมียามบ่ายนะอากาก็มหวมัวหน้านอนนะเห็นไหมไม่มีใครง่วงในตาโตแล้วใช้ได้แล้วก็ไม่ได้มีพยาบาทสังเกตไหมใจเราไม่ได้อุดหดลำคานอะไรใจเราก็ไม่ได้ฟูง้งซานถ้าใจฟู้งซ่านนี่ก็ยังมีนิมวอนอยู่ ใจรำคาญพอพุ่สร้างแล้วนะมันจะรำคาญใจปุบป่วนจักหรือใจเราเกิดความลังเลสงสัยใจเราเสื่อมสืถ้าใจมีนิวรณ์ใจไม่พร้อมสําหรับธรรมะถ้าใจปราศจากนิวรณ์ก็พร้อมสําหรับธรรมะนีิสธาวมะธรรมผู้ปับกับ น, นิวรณ์คือสมาธินั่นเองหลวงพ่อได้กล่าวว่าพวกเราชอบนั่นสมาธิเรียนสมาธิกันมาก สมาธิท่า น, นดีควรจะศึกษาแต่ต้องศึกษาให้ถ่องแท้หลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับสมาธิมีมีชื่อเปิดตรงนะว่าชื่อว่าอาธิยุจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตงั้นถ้าหากเราไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่มีสมาธิจริงหรอกเราต้องมาเรียนเรื่องจิตของเราให้ดีบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บทเรียนแรกชื่อศีลสิกขาเราต้องรักษาศีลก่อน สีจําเป็นนะพวกเรารักษาไปก่อนนะอนจาจจะได้มาเรียนเรื่องจิตบางคนไม่เข้าใจอยู่ๆเว้นที่จะทําสมาธิแต่ไม่ได้เรียนเรื่องจิตเรื่องสมาธิจะเป็นสมาธินอกรู้นอกทางแล้วเราอย่าไปเก่งเวล่าพระพุทธเจ้าพี่อาฉันจะนั่งสมาธิฉันจะนั่งสมาธิแต่ไม่เคยรู้เรื่องของจิตเลยควรเรียนที่จะทําให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องนะชื่อสมาธิจิตตสิ่งขาเรียนเรื่องจิต เป็นการเตรียมความพร้อมของจิตสาหรับการเจริญปัญญาเมื่อจิตมีความพร้อมแล้วเราจึงจะเจริญปัญญาได้เรียกว่าอันทีปัญญาสิกขาเี่บทเรียนของพระพุทธเจ้าสาบทเราทิ้งไม่ได้นะเราอยังนึนโมเมลอก็จะทำสมาธิทาสมาธิแต่ไม่เคยรู้เรื่องจิตนี่สมาธิไม่ได้เรื่องในราวสมาธิเริ่มเรมอาสติจิตที่จะมีสมาธินะสมาธินี่มีหลายแบบนะ สมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารเป็นหนึ่งสมาธิอย่างนี้ยใครๆเขาก็ฝึกกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธเขาก็ฝึกกันอย่าง พ, พระคริสต์นะวันอาทิตย์เขาเข้าโบสถ์ไปร้องเพลงเลยนะจิตใจก็จดจ่ออยู่กับพระเจ้านี่ก็คือสมาธิมุสลิมเข า, าก็ละมาดวละห้าครั้งนี่ก็คือการทําสมาธิการคิดถึงพระเจ้าการคิดถึงพระเจ้าเนี่ย ถ้าเทียบกับชาวพุทธเรากนะ็คือเทวาตานุสติถ้าคือเทวาตานุสติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นเองไม่หนีไปไหนหรอกเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านะเหมือนเหมือนตักไข่ครอบครูฟ้าดินเลยไม่มีใครหนีรอดเลยอย่างที่ท่านสอนนะในสมาธิเนี่ยถ้าเป็นสมาธิที่จะให้จิตสงบเนี่ยมีมาแต่ไหนอะไรมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสี่ อ, อย่างต้นตึกเจ้าชายสิงห์ัตต์ออกจากวางไป สิ่งแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะทำนะทำอะไรถ้านดี๋ไปเรียนนั่งสมาธิเห็นไหมก็คือความคิดแบบที่พวกเราเป็นนั่นแหละคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่คิดถึงคือนั่งสมาธิเจ้าชายสิทธัตถะมันคิดอย่าเดียวกันออกจากวันได้รีบไปเรียนการนั่งสมาธิจากหรือสิเรียนจากอาร า, ราดาบทหรือพระกาบท เรียนเจ็ดปานเพื่อนจบหลักสูตรแล้วท่านได้อ่านกินจัญ ญ, ญาญาณะได้ในวสญญาานัสัญ ญ, ญตาตาสัญญาญตณะชาตที่7ฉาติที่แปดอาจารย์สององค์เนีย่ยแบบสีอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าสมาธิชนิดนี้มีมา ก, กอนพระพุทธเจ้าสมาธิที่ชนิดที่สีดีเนี่ยเป็นสมาธิที่ใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเป็นอารมณ์ทั่วทั่วไปอย่างเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตเราอยู่กับลมหายใจนะ สงบ อ, อยู่ก็ลมาหายใจไม่หนีไปที่อื่นเลยเราก็ได้สมาธิได้สมาธิชนิดสงบหรือรู้เราไปถึงรูปลงไปดูที่จิตที่ใจนะเห็นความว่างในจิตในใจแต่ําหนดจิตลงไปนะเราลองดูสิตา้งหน้าเราจะ ว, าวาา่างๆถ้าตั้นาไม่ว่างก็แต่ว่าโครสร้างนั่นแหละถ้าใจใน่โครงสร้างนมันก็ว่างๆไม่มีอะไรถ้าเราจดจ่ออยู่ในความว่างเนียจิตจะเข้าอารูปที่หนึ่ง ชื่ออากาสารนัญจา ย, ยตนะนี่ถ้าสังเกตต่อไปอีกให้ว่างๆข้า ง, างาหน้าเนี่ยมันออกนอกปีตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่ตลาดตหาดมันแย่หมดนั้นถ้าเราจงใจมีสติไประลึกรู้ตัวผู้รู้ผู้ดูตัวจิตตัววิญ ญ, ญาณเนี่ยมันเป็นอรูปเปสารที่สองอันแรกไปดูความว่างซึ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันที่สองควรจะแส่เข้ามาดูตัวจิตซึ่งเป็นคนไปรู้ความว่างอันนี้จะเป็นวิญญาณนัญจา ย, ยตนะ เป็นอรูปที่สามนีบางคนที่เขาละเอียดลึกซึ้งเขาไปอีกเห็นว่าส่งจิตไปดูความว่างส่งจิตมาดูจิตก็จะเป็นภาระสู้ไม่เอาอะไรโดยดีกว่าจำนวนจิตอยู่คนความไม่มีอะไรเลยอันนี้คืออา่านกิตัญ ญ, ญาอตะนะเป็นอรูปที่สามเมื่อจิตทรงอยู่ในรูปทสามนานนะมันมละเอียดมากประณีตมากสัญญาจะอ่อนกำลังลงเนี่ยเท่าเดียว่าสัญญาหนาะสัญ ญ, ญายุตะนะ เนีเจ้าชายศิษฐ์ท่านถามเป็ น, ะน 7, 000, ปืนนะในเจ็ดวันท่านปืนสำเร็จแล้วถ้าโครงกวานี้ไม่ใช่ทางขนาดเข้าไปจนถึงฌานที่แปดนะท่านยังบอกว่านี่เป็นเะชิงทางเสร็จแล้วท่านก็ถอยออกมาสิ่งที่ท่านทาต่อไปคืออะไรฝึทางจิตไม่สําเร็จแล้วมันฝึกทางกายมันทรมาร์กายดนะูเนี่ยหาทางนะหาทางคนฟ้าเรียนไปทางจิตจนสุดสติปัญญาไม่มีเห็นเอ็นีทางรอดตรงไหน กลับมาดูปายทรมานมนะันรู้เลยว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่รักมากที่หวงแหนมากถ้าเลยพยายามทรมานมันนะไม่รักมันจะไม่รักมันจะไม่รักมั น, มม น, มนตื่นเต้นไปแต่ผลก็ท่านก็ไม่สําเร็จเลยเพราะจิตใจมันหาความสงบไม่ได้ร่างกายมันกระสัทกระสายนะจิตไม่มีกําลังในที่สุดท่าก็มันเล็กขึ้นได้ตอนเด็กๆท่านเคยทําอานาปณะสติ ไม่อบมกอกไปมใครใคานขึ้นทั้งประวัติตอนที่พระเจ้าสุตโตตนะไปแรกหนากวันตระกูลสักายะเนี่ยชาวนานะนี่ตระกูลชาวนาสุดโตตนะว่าข้าวที่บริสุทธิ์พวกนี้มีโตตนะโตตนะอมิโตนโตนะอะไรนะี่มีไลายนมีข้าวเยอะแยะ้งข้าวขาวข้าวบริสุทธิ์เลยนี่ตระกูลท่านตระกูลชาวนาเจ้าสักายะทํนานาะ เนี่ท่านพ่อท่านมาสั่งพี่จแลกนาะแล้วก็ที่เลี้ยงก็ผ่าท่านไปดูนะแต่แล้วท่านก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่เลี้ยงหนีไปดูก็แลกนาหมดพี่ท่านได้คนเดียวท่านอายุไม่มากนะเป็นกี่ปีหรอกแต่ว่าบารมีเก่าที่เคยสร้างมาเอาว่างว่ามันไม่มีอะไรขับนะลุกขึ้นนั่งสนับิีหายใจหายใจแต่เรื่องความรู้สึกตัวเรื่องอานาปานาสติอเราลืมคำว่าสตินะไม่ใช่แค่หายใจนะ จะ ต, ต้องมีส ต, ติอยู่ทุกลงหายใจเข้าออกและตัวที่จะชี้ขาดแล้วเราจะทำสมาธิเป็นหรือไม่เป็นสติมีหรือไม่มีแต่พี่นั่งสมาธิแล้วเราเพิ่มเพิ่มเพิ่มเรมไร้สาระที่สุพนะพดพ่อพูดนะหลวงพ่อนั่งมาแล้วหลวงพ่อทํามสมาธิไม่เป่นเจ็ดกลก่มเรียนเนี่ยท่านพอ่อรีวัติทรงปรารมท่านเก่ง น, นะแต่เราไม่เก่งเองเรานั่งสมาธิไปหายใจหายใจไม่กี่วัน หายใจวันสองวันอยนะ่างเงี้ยจิตรวมนะออกไปเที่ยวข้างนอกได้ออกไปรู้ไปเห็นไปได้ ย, ยินได้ฟังในตอนอะไรนะจิตมันสร้างขึ้นมาสารพัดจะสรา้างไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์อยนะ่างเงี้ยแต่ในโกไม่ไปัวกีไปแต่สวรรค์เลยนะนี่ออกเที่ยวอเองไปเรื่อยเพราะฟันหนึ่งก็พบว่าไม่เห็นไม่ได้อะไรขึ้นมาเราไปเห็นสมบัติเทวดาเราก็ไม่ได้สมบัติเทวดาสมบัติคนอื่นไปเห็นเหมืมอนดูหนังไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลย แล้วหายใจหายใจไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันมีทางแยกที่พลาดไปช่วกเราถ้จะเรียนอานาปัตสติต้อเรียนให้ดีนะตัวสําคัญคือความมีสติอยู่ตุ่ลมหายใจท่องออกไม่ใช่เอาจิตไปเพง่งอยู่กุ่ลมหายใจยฉเฉยๆเอาจิตไปจับนิ่งอยู่ที่ลมเรื่อยๆนะลมเนี่ยเพใหสั้นเข้าสั้นเข้าเป็นช้งลมมันหยุดพอลมมันหยุดเนีน่ลมมันแปลสภาพเป็นแสงสว่างอย่างถ้าเราหา อานาปนสตินะถ้าประเภทอานาปานสติประเภทจะทําสมาธินี่ละหายใจเลยนั่งสบายสบายูบรนหลังตั้งกายตรงดำํำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวทำไมหายใจออกยาวไปเก็บในคำพูดแต่ละคาที่พูดได้ท่าสอนมีความหมายทําไมท่านไม่เรื่อมหายใจสร้างทําไมต้องเริ่มหายใจยาวไปเก็ดูเวลาที่เราเริ่มทําอนาปนสติลมเรายายาวอย่าหายใจลงไปลึกหลงออกไหม จะเป็นหายใจอยุดขึ like ้นี่จ้หยุนนหายใจไม่ได้หรอกจิตมันยังฟุ้างอยู่ิ่จิตุงสร้านลมหายใจร่างกายต้องการออกสีเยอะๆ่ล้นยิ่หายใจแรงหายใจลึกหายใจยาวนี่พอหายใจไปาอจิตเริ่มสงบเนี่ยลมจะสั้นลมจะสั้นข้าวสั้นข้าวตื้นขึ้นเรื่อยๆตื้นๆตืลยู่สิพิษใส่สมองงั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านพูดถึงลมหายใจยาวกว่าที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งท่านสอน ดูระที่สู่ทั้งหลายให้เกธอคู่บันลังตั้งใจ ต, ตรงดํารตสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกอย่างทําไมหายใจออกพวกเราทำสมาธิเราหายใจเข้านึกอออกไหมเราจะมาทดลองของจริงหมดพวกเราเราหายใจเข้าพร้อมๆกันทำสมาธิด้วยการหายใจเข้าหายใจเข้ากว่าเรารู้สึกไหมมันหนักแน่นล้องเปลี่ยนใหม่หยุดหดออกกัดสมาธิสัก เลื่นตาที่เลื่นตาึี่อ๋อบางคนเลยติดเลนในวามงงแต่ความซึงไปนะ้ลบกะแดดนั่นะที่ใส่แว่นตาตนดูกระดิบหน่อางัน้าหน่อยเอเอจะเป็นนั่งสมาธิทุกเอาไปนี้นะไม่ได้นะติดโพหาออกมาซึ่งออกมาไม่ได้เอาแตเป็นนี้เราจะนั่งสมาธิแายใจออกก่อนซิแายใจออ ก, ก่อ รู้สึกไปมว่าใจเป็นเบากว่ากันไปสังเกตดูนะข้อไม่เวลาจาคีจํำใสกี่รคนเวลาที่เราเริ่มการหายใจเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยหายใจเข้านะใจจะแข็งถ้าเริ่มด้วยหายใจออกเนี่ยใจจะนุ่มสมาธิเมื่อเกิดแล้วเนะี่ยใจจะนุ่มนวลก่นอนโยนเบาคล่องแคล่ว่องไวนะนุ่มนวลเบาไม่ใช่หนักไม่ใช่แน่นไม่ใช่แข็งไม่ใช่สุดไม่ใช่ตื่อได้คาตุ้มคบ ในแใจกีดกันมีความหมายทั้งสิ้นแต่เน้นเอาโมเมลเองเกิดสมาธิฝึกลมหายใจนะฝืนประมาณเป็นสีไปหมดเลยต้องระมัดระบางนะเวลาที่เราจะฝึกลมหายใจเนี่ยมันมีทางแยกหลายทางทางที่หนึ่งเรล่มเราหายใจไม่ต้องหายใจนะผมก็เล่าให้ฟังเราหายใจไปหายใจไปหายใจไปจิตหีไปคิดเรื่องอื่นหายใเป็นไหหายใจไปไหายใจไปแล้วก็เพิมไายใจเป็นไหม เสร็จแล้วเหมือนฝันนะตีฝันใจหลายๆหลายๆออกไปใจไม่ตั้งมั่นอันนี้ไม่มีสมรรถไม่มีวิปัสสนาเลยขา ส, สติอย่างแรงเลยและส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธินั่งกันแบบนี้นั่งแล้ก็ทําให้ดูนะอ่ะอย่างนี้นะนี่ทำท่าให้ดูนะนั่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้เยสมารถดก็ไม่มีวิปัสส น, นาก็ไม่มีนี่เป็น อา น, นาปานสติอย่างแรกที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งอันที่สองา น, นาปานสติที่จิตจะสงบเป็นสมถะทํทำยังไงอา น, นาปานสติให้เป็นสมถะหายใจแต่นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ า, าเกณฑร่างกายมันหายใจนะแล่วก็หายใจไปรู้กี่แล้วก็รู้ลมมันยาวนะลงไปแบบคนถ้าหายใจชํานานมันจะลงไปถึงท้องเลยลมจะลงไปที่ท้อง หายใจออกหายเข้ามันจะยาวนะยาวคือเน็ตระยะมันยาวพอใจของเราเริ่มสงบเนี่ยมันจะแตกตื้นเลื่อนเลื่อนเลื่นเลืนนะเลื่อนไปหยุดอยู่ที่จมูกอยู่ที่ปลายจมูกหรือจะมอยปากอยู่ตรงนี้นะลมหายใจมันจะหยืดลงไปจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นตัวลมหายใจเนี่ยเรียกว่าปริกรรมนิมิตพอหายใจไปจนลมมันหยุดลงไปนะ เกิได้เรียกว่าปูุกอหารนิมิตปลมกอหารนิมิตมันจะเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้แสงสว่างเกิดขึ้นถ้าเราตำนานนะเราจะขยายความสว่าง อ, อไปขยายไปก็ได้นะย่อให้เล็กลงมาก็ได้แต่เราเล่นอยู่ตรง น, นี้นะจิตจะสนุกนะจิตจะเกิดปีติเกิดความสุขจิตมีวิตกก็คือจิตเนี่ยจับเอาลมเอาแสงสว่างเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่ใช่จับลมหายใจนะ ถ้ามันแทบจะไม่ไหายใจหายใจนี้นเปี่ยนเป็นสว่างขึ้นมาดังนั้นเราจับเราแสงสว่างแทนลมหาใจ่ปแล้วพอเรามาหายใจเลยกนะ็สว่างขึ้นมาเรารู้อยู่ที่ความสว่างการที่จิตมันจับอยู่ที่ความสว่างเรียกว่ามีตอกการที่จิตเค้าเคลียร์อยู่กับความสับดวงสว่างนี้โดยไม่ดีไปไหนไม่ต้องกระคองไว้เรียกว่ามีจาับปีติเกิดขึ้นมีปีติมีความสุขขึ้นมาแล้วจิตจะเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อารมณ์เป็นอะไรอารมณ์ก็คือตัวแสงสวา่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนี่ต้องฝึกอย่างนี้นะเมืนน่อตีจะเข้าฌานนี่หายใจเพื่อเพือเๆื่ออย่างนี้ไม่เข้าฌานหรอกบรรยากมฝึกไปเข้าฌานไม่ได้นี่ถ้าเราหายใจเป็นแล้ค่อยๆสบายชอบหายใจใช่ไหมได้ยินที่หลวงพ่อพูดในชักยากแล้วหรอเนี่ยจักนักเลยใช่ไหมอนมานหนานสติไม่ง่ายเท่าที่คิดนะ บางคนถึงบอกอ า, า, านาปณะสติเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษไม่ใช่มือระดับคนเั่นตัวไปจะเล่นหอกไม่ใช่กรรมฐานที่เล่นง่ายเทราไอะไรานแยกเยอะเลยถ้าขาดสติสติอ่อนลงไปสมาธิอ่อนลงไปคนไหลออกนอกเลยหรือว่าบางคนไปเห็นแสงสว่างแล้วสติโดน อ, อ, อ่อนอีกนะจิตมันเคลื่อนออกไปมันตามแสงสว่างออกไปนะที่จะไปดูนรกดูสวรรค์อะไรเนี่ยตามให้แสงสว่างนี่ออกไปดูหรอกนะจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจริง ต้องฝึกไม่ดีนะอย่าให้ขาดเสียงเคลื่อนหมีไปถ้าเคลื่อนหมีไปมนออกนอกหรือใช้ไม่ได้แต่ถ้าไม่หมีไปหยุดรวมลงมานะเพื่อปิดจิตจะเข้าฌานนี้ความข้าฌานนะมีวิโตคือการที่จิตมันตรึกอยู่ในแสงสว่างดวงสว่างนี้มีวิจารวิจัยในเท้าอยู่ประดวงสว่างนี้มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งหมายถึงมีอารมณ์เดียวรู้แสงสว่างหรือไม่วองแวะไปที่อื่นเลย พุทโธพุทโธอะไรตอนนี้ไม่มีทั้งสิ้นเลยนะมีแต่แสงสว่างอันนี้เป็นอารมณ์อันเดียวเรียจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกปีเรว่าสมถถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เยอะแยะอันนี้ไม่ใช่สมถนอันนี้เป็นวิปัสนาถ้าจิตเยอะแยะอารมณ์เยอะแยะนี้เรียกว่ากรุงสร้างมีหลายแบบนะนี้ถ้าเราพอเเห็นปีติเอวามสุน่ะทีแรกเราเห็นว่าใจเนี่ยเข้าเป็นตึกเข้าเป็นตรองในดวงสว่าง สติรู้ทันนะความคืนความตรองยัขาดวิตตุวิจารจะดับจิตจะเข้าสันที่สองพอวิตตวิจาร์ดับความคึกความตรองดับตัวรู้จะเกิดขึ้นเมื่อตัวรู้ตัวผู้รู้เคยได้ยินไหมคำว่าตัวผู้รู้ตัวผู้รู้แท้ๆจะเกิดในฌานที่สองไม่เกิดในฌานที่หนึ่งก็ยังคืนยังตรองในอารมณ์อยู่ในฌ้นที่สองเนี่ยจิตเพิ่การคึกการตรองในอารมณ์อยู่สมาธิแท้ๆถึงเกิดขึ้นยังคืนยังตรองยังอยากอยู่อีก แต่เป็นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าออกจากฌานนี้นะตัวผู้รู้นี่ยังทรงอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งเอามาเดินปัญญานี่เป็นเส้นทางของพวกที่ใช้สมาธินำปัญญาเป็นสมาธินำปัญญาเข้ามาเดินตั้งได้เอกพลิสาวะได้ความเป็นหนึ่แล้วเนี่ยพอยออกจากตรงนี้มามาที่หนักกายเลยดูร่างกายแยกรางธาตุแยกขันธ์ออกไปอันมาเดินปัญญาทีหลังทําสมาธิเข้ามาก่อนนี่เป็นเส้นทางที่หนึ่งนะ เห็นไหมในอนานาปานสตินี้ตนะ้องหลากหลายมากเลยนะเลอกซึ้งที่สุดเลยแล้วถ้าจะทำสมาธิสอปัญญาพวกกันทำยังไงอาศัยสติไปรู้วิตตวิจารวิตตวิจารดับไปแล้วนะมีปีติเกิดขึ้นอาศัยสติไประลึกรู้ปิติปิติจะดับไปไปเลยแต่ความสุขนะูรจิตจะเลื่อนกากฌานที่สองขึ้นไปฌานที่สามมีความสุบ สติระลึรู้ความสมความสุขจะดับใดๆเป็ในอุเบกขาจิตจะเท่าสูตรขาที่สมันจะเห็นเลยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้ดับใดนะวิโตเกิดแล้วก็ดับพิจารเกิดแล้วก็ดับปีติเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วก็ดับเอกกับตาเกิดขึ้นมาอุเบกขาเกิดขึ้นมาอุเบกขาทรงอยู่ช่วงหนึ่งก็เริ่มเคลื่อนออกจิตไม่ได้ทรงสมาธิเป็นทั้งชาติเลยถ้าจิตเคลื่อนออกมันจะเห็นเลยเมื่อกี้จิตเป็นอุเบกขาตอนนี้จิตมีความสุข ถ้ามันเคลื่อนยาวออกไปกิน ม, มันมีปิติมือหวานขึ้นไอีกแต่ถ้ามันอยากขึ้นไปอีกกินเริ่มเคลื่อนเป็นจับที่โดนสบางใหม่อีกแล้วเรนจะเห็นในองค์ฌานนี้นะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้สําหรับพวกที่ใช้สมาธิและปัญญาควบกันแใจปัญญาควบกันเห็นไหมเพิ่มมาจากอนนานันตานัสตีนะามาันพลิกแปลงได้สารพัดจะพลิกแปลงไปไม่ใช่เล่นๆนะพวกเราเ น, นัา่งมัวซั่วนยะนั่งไม่ได้เรื่องเลยเนี้ ยังมีอีกยังไม่หมดนีบางคนเนชำนาญชำนาญในฌานด้วยชำนาญในการดูจิตก็มันจะเจริญปัญญาในสมาธิได้อีกอย่างคือไม่ได้ดูตัวองฌานนะบาทีมันมีความปรุมขึ้นภายในแต่ไม่รู้ว่าอะไร มีความไหวๆเกิดขึ้นในสมาธินะั้นอีกความไหวขึ้นมาจากจิตไม่รู้ว่าคืออะไรเราจะเห็นว่าความไหวๆนะั้นนะมันเกิดแล้วก็ตับมันเกิดแล้วมันตับเนี่ยเจริญปัญญาอย่างนี้ก็ได้นะในสมาธิทำได้หลายแบบนี่ถ้าทําตรงนี้ไม่ได้ทําสมาธิทำอานาปานสติจะได้ฌานะ้อยออกมาแล้วเนี่ยมาธิม า, ามแยกธาตุแยกขันธ์กายส่วนกายจิตส่วนจิตแยกกันไปได้ เอ็ในร่างกายมันเป็นคนหายใจจิตมันเด็กคนดูอยู่นะร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้หนึจะเรียกว่าเติมปัญญาเนี่ยนั่งสมาธิสมองอย่างเดียวปัญญาไม่เกิดไปไม่ได้ฮนะเนี่ยม า, านาปันสตินะั้นทำได้หลายอย่างนยะทํำให้ททําผิดสติอ่อนเนี่ยหนีออกไปเที่ยวข้างนอกเนะกิดนี้วงนีิมแต่สารพัดเลยนะทํำไปถูกต้องจิตเข้าฌาน จิตเข้าชานแล้วออกจากดชานมาเดินปัญญาก็ได้เดินปัญญาอยู่ในชานก็ได้ทําได้หลายอย่างนะอานาปานสติอย่างหนึง่งไม่ต้องทําฌานเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอันนี้เป็นพวกที่ใช้ปัญญานําสมาธินะแค่ปัญญาหนำสมาธิทีนะ่แ ม, ม้เรื่องลมหายใจนั้นกว้างกวางที่สุดเลยคือกรรมฐานที่ใหญ่มากเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเล่นๆนะจะทำๆทําอท ำ, ท ำ, ทำไม่ได้จริงอรอทำนักาดสติ เนี่ยเรามาดูต่อไปนะอย่างเราจะใช้ปัญญานําสมาธิทํำยังไงเ่็นขนาดเนี้ยพวกเราหายใจอยู่แล้วรู้สึกไหมเราหายใจไปนะแเราก็คอยรู้ทันรู้ทันกายก็ได้รู้ทันจิตก็ได้เห็นไหมกว้างกวางขนาดไหนถ้าเราจะเจริญปัญญาหายใจไปแล้วเจริญปัญญาด้วยการรู้ทันกายทํำยังไงเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูคืออย่างนี้นะเห็นร่างกายไหายใจออกใจเป็นแค่คนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นแค่คนดู มันจะรู้เลยว่าร่างกายนี like ้ไม่ใช kind of ่ต uh, so ัวเราร่างกายนี้เหมือนถูกหนังใบหนึ่งเดี๋ยวโปเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวโป่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวหดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ผลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่พวกเราลองนั่งดูสินั่งดูเห็นร่างกายมันหายใจนะเราเป็นคนรู้สบายๆอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะดูจิตก็ได้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตก็ได้หายใจไปเรารู้ทันจิตหายใจใสแล้วรู้ทันจิต หายใจแล้วจิตหนีไปคิดรู้ันุหายใจจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันหายใจแล้วจิตหลงไปที่อื่นเลยรู้ทันหายใจบางทีก็หีไปคิดพุดโธที่คิดเรื่องอื่นบางที่คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เรียผ่าดสติผ่าดสมาธิ่าดสุขบุแล้วงั้นถ้าจ ะ, จะเจริญสติหายใจไปเห็นร่างกายหายใจเราก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนไปรู้ร่างกายเข้า นี่เป็นการเจริญอนาปาทศิษที่เป็นเจริญปัญญาปัญญาด้วยการดูไปถ้าหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเดี๋ยวยจิตก็ดีไปคิดเสียจิตก็ดีไปจิตรีเดี๋ยวก็ไหลไปเพ่งลมหายใจเดี๋ยวก็ถอยออกมาเดี๋ยวก็ดีพิคิดจะเห็นเลยเดี๋ยจิตก็หลงไปหลงไปคิดเดี๋ยวจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาเสียจิตก็เข้าไปเพ่งนะงั้นเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็คิดสลับไปสลับมา แต่ถ้าพวกติดสมถานน่าจะเพ่งอย่างเดียวไม่เี่นอื่เลยแล้วพวกนี้จะเดินปัญญาไม่ได้จริงเพ่งลูปเดียวแม้ทํานาาัปนสติผิดแล้วก็เพ่งอยู่กับลมอย่างเดียวเลยจิตไม่กระดุกกระดิกเลยถามว่าได้ฌานไหมไม่ได้ฌานเพราะไม่มีความสุขเลยใจแข็งแข็งหายใจมันต้องเพี้ยงเพียงแข็งแข็งใช้ไม่ได้เลยหายใจแล้วก็เพ่งให้นิงเพ่งให้นิงเพ่งกายให้นิ่งเพ่งใจให้นิงใช้ไม่ได้เลย ถ้าหายใจไปแล้วเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานี่เดินปัญญาหายใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทานหายใจไปจิตมีความสุขขึ้นมารู้ท่านหายใจไปจิตฟุ้สร้างรู้ทานหายใจแล้วพอรู้ทันจิตจิตสุขก็รู้จิตรู้ก็รู้จิตเฉยเฉก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นนกุศลก็รู้จิตเป็นนากุศลก็เยอะแยะเลยเวลาที่ทําอานาคานสติหายใจแล้วเวลามีความสุขเกิดขึ้น ไอ้การหายใจจะมีความสุขสรต่ขึ้นบ้างมีไหมในความสุขราคะแทรกอยู่ถ้าไม่เห็นนี่นะคือหรรายใจแล้วเกิดอาภุดสนนะแทนที่หายใจแล้วได้แทรเป็นบุญเป็นกุศล น, นะหายใจแล้วได้เป็นเปลือกเพราะสะสมแต่ราคะหายใจไปแล้วจิตไม่ยอมสงบเลยแล้วโมโห ม, ม, มีไหมวันนี้ไม่ยอมสงบสติหุนหินหายใจไปแลากเกิดตัวซ่าหายใจไปแล้วจิตคิดโน้นคิดนีดนไ้ไปหายใจแล้วภูมิซ่า หายใจต้องเกิดโมหะงั้นเราหายใจแล้วเราไปรู้เท่าฐานจิตไปหายใจไแล้วจิตมีความสุขก็รู้หายใจไปแล้วจิตมีความทุกข์ก็รู้หายใจไปแล้วจิตเฉยเฉก็รู้หายใจไปแล้วจิตโลภขึ้นมาก็รู้มีราคะพอใจในความสุขความสบายหายใจไปแล้วจิตลำคาดขึ้นมามันไม่ยอมจะสงบโมโหมันก็รู้ทันหายใจไปแลจิตกิ๊บโนดกิ๊บีิจิตฟุ้งซ่านรู้ทันลจิตฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นลงไปว่า จิตที่เป็นของเป็นเครื่องจิตเดี๋ยวก็โสมจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายนี่แหละคือการเดินปัญญาอาศัยลมหายใจเป็นขาแล้วรู้ทันจิตอย่าง น, นี้ก็เดินปัญญาได้อันนี้เป็นปัญญานำสมาพีนนะเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตจะรวมลงมาเองจิตจะรวมได้เง้เส้นทางเดินของคนที่ได้นานๆก็นสสติและกว้างกว่ามากออกกุกสร้างตลิดเปิดเพิมไปเลยก็ได้ ทำให้เกิดฌานขึ้นมาก็ได้ทำฌานแล้วก็อยู่แค่นั้นไม่เดินปัญญาก็ได้ทำฌานแล้วมาเดินปัญญาซึ่งในในองค์ฌานเลยก็ได้คือทำสมาธิกับปัญญาวกวุกันทำฌานแล้วออกจากฌานมาเจริญปัญญาแยกธาตแยกขันธ์แยกาแย ก, แย ก, กายแยกใจอันนี้เป็นสมาธินาปัญญาหรือหายใจไปแล้วก็รู้ทันกายหายใจไปแล้วรู้ทันจิตเห็นกายไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราจิตยังไม่ทันจะเข้าฌาน อย่างนี้ก็เป็นการหายใจที่ใช้ปัญญาปัญญาจะนําไปก่อนนะแล้วก็ใจจะรวมเข้ามาทีหลังยังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะอยากเล่นหลมหายใจหลวงพ่อถามมาแล้วถามมาว่าเล่นปล่าว่าชอบหายใจหลวงพ่อเล่นลงไปแก่อยู่ยี่สิบสองปีแยกแยะออกมาได้เคล็ดลับมันมีถ้าจะหายใจให้สงบทำยังไงต้องสบาย ต้องสบายเมื่อถ้าอยากหายใจให้สงบนอย่าเริ่มต้นจากบังคับจิตพวกเราที่เริ่มต้นภาว น, า, นาเนี่ชอบไปบังคับจิตทีนแรกบังคับกายกว่าะช่ไหวางมต้องนั่งนั่งแล้วก็บังคับชาตินี้ไม่มีวันสงบจิตไม่ชอบให้ใครบังคับจิตเป็นเด็กจิตเป็นเด็กก็เปนดอกไปรอดเด็กวันนี้ชอบกินคุณโทก็ต้องออคุณโ ท, ณโทไป เด็กคนนี้ชอบกินลมหายใจสนมของมันคือลมหายใจหายใจแล้มีความสุขก็หายใจไปคนไหนชอบท้องฟองยุบือท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องฟองยุบไปพอจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์มันใจจิตก็จะไม่หนีไปหาอารมณ์มันเดียวจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างถ้าเราจะเล่นอนาปนาสติแล้วหายใจแล้วมีความสุขใจเดียวมันสงบเลหายใจดีเดียวมัสงบเลยในสมัยพุทธกาลนะล่ะ อรหันที่ท่านได้อภิญญาได้อะไรนี้ก็เยอนะในองค์ที่เข้าสมาธิได้เร็วที่สุดคือสมุขละลายท่ามหามุขละลานะไวถึงขนาดเข้าไปในปากพญานาคได้นะแล้วออกมาได้เตยงูนี่ยนะงับท่านไหมครับตานท่านไปปรมานชื่อหนังครนทนาวันนี้ชื่อหนังครับเป็นทรมานพญานาคนี้ท่านเข้าไปอยู่ในท้องหน้า หน้าอ้าปากท่าตุ๊บเขาไปเลยไปเดินจงกรมในท้องตอนถ้าจะออกเนี่ยหน้ า, าก็กลับออกเมื่อไหร่ยังนับให้อยู่เลยนะเราพระพุทาเจ้าก็ห่วงนะ พ, พระพุทธเจ้าก็เตือนบอกว่าโมฆราานะหน้าตนนี้มีฤทธิ์มากท่านเตือนอย่างนี้น ะ, ะบอกระวังนะพระโวกราลัยก็พูนบอกข้าโตะเนี่ยฝึกอิทธิบาทมาจนชำนีิชนานานญะ เอย่ย ว, ว่าแต่หน้าตนเดียวเลยถ้าหน้า ก, กี่มือขนาดนี้นะั่นร้อยตนพันต น, นถ้าพระอก็สู้ได้ไม่ใช่ฮีโกโ้นะถ้าทําได้จริงทำ ไ, ไมท่านทำได้เร็วขนาดนั้น ถ, ถ้าเท้าสมาธิเก่งเทาจะเป็นอัปปนาสมาธินั่นกะ็เกิดชันเกิดเอาอินยาขึ้นนะในการทําเนี้เท่าเร็วมากจริงหาใครทําเร็วเท่าท่านไม่ได้พวกเรามีใครทาสมาธิได้เร็วบ้างมีไหม ใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจิตจะสงบีันาทีโนะวิธีที่จะให้สงบเร็วต้องมีความสุดอยาหายใจด้วยความโลภถ้าหายใจด้วยความอยากจะสงบนะไม่สงบหรอกต้องหายใจอย่างผ่อนคลายหายใจสบายจะสงบสว่างขึนมาทันทีเลย ตป่นบ่อยๆตป่น่อยๆแต่ว่าฝึกนแล้วยังไมหยืนยืนแค่ความสงบนะความสงบไม่พอไม่พอยิ่งก็ะเถิดเข้าถึงอารมูปยิ่งไกลๆนี่ยากไปไหมแบบนี้ได้กล่าวให้ชอบนั่งสมาธิีเพศเรื่องสมาธิไม่เป็นเพศอย่างนี้นะก็จะ น, นึกว่าหลวงพ่อ น, นั่งสมาธิไม่เป็นด้วยซ้าเลย ตอนยังไม่บวช น, นะไปที่วัดรูบาทดำแก่ตอนคืตลันก็ไปนั่งสมาธิรืงเตบวชเยแล้วตบากพวกก็ไม่เดินจกรมไม่พอนั่งบวเล็กมพอนเดินรอบรอบบวชรอบาข้าไปก็ไปนั่งสมาธิไปดูดเขาไม่ได้ทำสมาธิจริมานั่งเคลิ้ๆกันมีสองพวกพวกนั่งเคลื้มกับพวกนั่งเครียด ไม่ต้องดูจิตใจอะไรหรอกไม่ต้องมีอารมณ์อิจฉานะมีรูปตาก็เห็นนะพวกนั่งเสริมนะดูง่ายพวกนั่งเครียดในใจก็นึกนะเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่น้องในใจคิดเห็นไม่ต้องไม่เห็นมีใครปฏิบัติใครคิดตอนเช้าขึ้นมานะเข้าไปกราบอุบาจาะนะท่านยิ้มยเห็นหน้าเนาท่านก็ยิ้ยิ้ม วัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วแหละเาดีอายเลยนะเราคิดในใจนะ่ะถูกด้นจับผู้ร้ายได้ยั้นเาหายใจด้วยความรู้สึกตัวถึงจะเป็นนาฬิกานัสสติมีสติอยู่ทุกลงหายใจถ้าเล่นเป็นนะเล่นได้เยอะแยะเลยทางแยกเยอะแยะเลยจะไปสมถะก็ได้ไปเดินปัญญาก็ได้เป็นเล่นอะไรต่ออะไรนอกรู้นอกทางก็ได้ จะทำสมถาะาทำวิปัสสนาเนี่ยจะเอาสมถาะานำสมาธินำปัญญาตามก็ได้ทำสมาธิกับปัญญาควกกันก็ได้จะเดินปัญญา ก, ก่อนสมาธิเกิดตามหลังก็ได้กว่างขวางที่สุดเลยเราดูนะอยากเราดูก่าเอายาไงไปไหมทำไม่ยากไปไหมแต่ไม่ยากทำ ย, ยากนะ เคล็ดลับนะถ้าต้องการให้เกิดสมถะต้องมีความสุขเป็นรากฐานตรงนี้นะป้าหลวพ่อจะได้เคล็ดลับนะภาวนาโอ้ยลำบาเหื่อยแต่ว่าหายใจแล้วตีออกเที่ยวข้างนอกนง่ายที่สุดเลยนะแต่มันไม่ใช่ทางสมถนก็ไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้เนะี่ยแต่ปรับปรุงสร้าง้าจะให้ได้สมถะหายใจไปอยังมีความสุข หายใจไปเพื่ความรู้สึกตัวมีความสุขสบายสบายจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยถ้าไปเค้นมันไปบังคับมันไม่สงบหรอกลแล้วถ้าทำยังไงจะแค่เกิดมีปัสนาหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจแล้วจิตหนีมีคิดรู้ทั น, ในใ จ, จิต จ, จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถ้าจะเป็นปัญญาด้วยการดูไป เห็นในร่างกายเป็นของถุกรู้ถู ด, ดูจิตเป็นคนดูอยู่กายกับจิตเป็นคนละอันกัายนี้เป็นวัตถุเ ท, ท่านั้นเองมีธาตุไหลายเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่เดินปัญญานะหรือจะเดินปัญญานะจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะหายใจไปเกิดความสุขขึ้นมาเห็นเลยมีความสุขเกิดขึ้ น, นความสุขนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขนี้ไม่ใช่ตัวเรา ความสุขเองเกิดขึ้นมาอยู่ช่วงคราวแล้วก็หายไปความสุขไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เดินปัญญาหายใจไปแล้วจิตไม่มีความสุขเลยวันนี้หายใจแล้วมันปุ้งมากนะจิตหดหงิดไม่สบายใจหายใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นทางใจมีสติรู้ทันเห็นเลยความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกขก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปนี้คือการเดินปัญญาในการรู้เวตุรูนา หายใจไปแล้วก็มีความสุขราคะก็แทรกเข้ามาเรารู้ทันว่ามีราคะแทรกเข้ามาในจิตราคะไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เท่าราคะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปราคะเกิดขึ้นเองเราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดได้เองมันเป็นอนัตตาเน่เน่เตือนสัญญานี่ห า, ายใจไปแล้วพอความสุขเกิดขึ้นโสดาเป็นแทรกให้รู้ทันว่าโาสดแทรก จะเห็นว่วาโทสะไม่ใช่ตัวเราเราเป็นสิ่งที่จิตไปดูเอาโทสะเนี่ยเราไม่ได้เจตนาให้มันมีโทสะเลยมันปุดขึ้นมาเองมันมันบักอับไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วมันอยู่ช่วงกลาแล้วมันก็หายไปไม่ต้องเป็นอนิจจาที่เป็นปัญญานะถ้าลาพังธรรมานาะคันสติสงบ อ, อย่างเดียวไม่เดินปัญญากี่พวกกี่ชาติก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกบอกตรงๆก็สําคัญมากเลยต้องเดินปัญญาให้ได้ การเดินปัญญานะก็คือการที่สามารถพิจารณาแยกคาดแยกขันออกไปแล้วเห็นขันแต่ละขันนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของขันไม่ใช่ปัญญานะใช่เลยไม่มีวันจะบรรลุมาผนิพพานเลยย่ากไปนี้คุณหมองง่ายหมดนะฟ <laughs> ังเยอะถ <laughs> ้าใครมีอะไรจะคุยกับหลวงอมีบ้างไหม ไม่เป็นไรไม่อยู่ที่ท่าท่าไหนก็ได้สมาธิไม่ได้อยู่ที่ท้านั่งคนนั่งสวยอาจจะไม่มีสมาธิก็ได้มีเพื่อนหลวงากันหนึ่งไปเรียนเรีคุณดูด้วยกันนี่แหละเสรแล้วไปอยู่วัดสาขาหลวงปู่วัดที่สลวงปู่อยู่วัดในเมืองไปอยู่วัดสาขาวัดกรรมฐาน ตัวงเกินนั่งสมาธิเราก็นั่งตรงนะจนเขานั่งนั่งไปนั่งมานะทีแรกก็นั่งสมาธินะนั่งไป้มันขาเหยียดออกไปด้วยอ้อย่างนี้นะคนก็หัวเราะคนก็หัวเราะเฮคนกูุเทพคนที่มันนั่งสมาธิไม่เก่งนั่งเรามันหลับไปนะครูบาอาจารย์จิตท่านไหวนะท่านบอกอย่าไปดูถูกเขานะตัวเขาเยียกแต่จิตเขาตรงพขไม่ได้ขาดสติเลยเด็กเขาทิ้งกายแล้ความรู้สึกตัวยังคงอยู่ แต่ว่าร่างกายเป็นอย่างไม่สนใจเลยนะเหลือเป็น จ, จิตอันเดียวรลื่อนเลยงั้นแต่ดูกุณียาท่าทางของเขา่ดูไม่ได้ดูไม่ไ ด, ด, ไได้เพราะฉะนั้นท่าทางไม่สําคัญอกแต่สําหรับมือใหม่นะท่าทางก็ช่วยได้เยอะมือใหม่เดินเดินจงกลมนะเดินจ้าปากควาย <c oughs> โหยากนะยาก ส, สงบยากหรือเดินย่องย่องย่องเหมือนนกกระยางย่องเด็กินปลานโหสงบยากก็เคลื่อนง่าย เด็กเริ่มง่ายถ้าหนใหม่ๆกระบวนกาท่าเราสาคัญเหมือนกันแต่ถ้าชำนิชำนาญจริงแนละท่าไหนก็ได้แต่ว่าท่าที่เว้นไว้หน่อยนะท่านอนฝึกน้อยหน่อยก็ได้ตามสตือนปีๆบทบรรลุมรรคผลในอิริยาบทนอนมีน้อยมีน้อยมีอิริยาบทตลาดที่เราท่านอนอิริยาบทเองสมัมในบรรลุตานเอง คืท่านพักเพียนทั้งคืนทนะ่งแต่หวังพักเป็นเชอนท่านใกล้สว่างท่านใจบีโดก บ, บอกว่าพระานอนอยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายยัคตาสติเป็นส่วนมากธรรมะ ก, กายยัคตาสติตัวนี้ไม่ได้แปลว่าพิจารณาของเล็ตปัญหากายยัคตาสติตัวนี้คือกายานุปัสนาสติปัตตาไอ้แม้พระนอนนะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยโดยการเจริญกายานุปัสนานะอันนี้ฝืนกับสิ่งที่พวกเราหลายคนเชื่อเลย เวลหลายคนเชื่อว่าจะบรรลุพระอ ร, ระหันต้องมาลุยที่จิตถ้านอนจะมาลุยที่กายแต่ไม่ได้พีจะหนักกายอย่างนั้นหรับได้มีสติอยู่เองร่างกายยืนเดินนั่ง น, นอนความรู้สึกรู้สึกนี่ทําไปด้วยความาคาดหวังนะว่าจะบระรลุอยากบรรลุอ่ะพรุ่งนี้จะต้องสัานพยนาจะเป็นไม่บรรลุสุดท้ายเนี่ยข้าในปีจบก็บอกว่าถ้านอนนั้นเห็นมากใกล้จะสว่างต้องอัก ตองพักก่อนนะพรุ่งนี้อจารย์พยานาความจากได้ไม่เหลือกนะันแต่พระเตยพินดบอกว่าอานนอนก็นเลยเองตัวลงเท้าไม่พ่าพ้นพื้นศีรษะไม่พันถึงหมอนก็ปัดลุในพระเตยพิดดไม่ได้บอกว่าอานอนท์เริ่มปฏิบัติไม่มีคําว่าอานอนท์เห็นว่าใกล้สว่างแล้วควรจะนอนอานอนท์เลยเริ่มปฏิบัติแล้วลงนอนแค่เริ่มปฏิบัติแล้วลงนอนไม่เป็นรู้หรอกจิตที่เดิน สติสมาธิปัญญาจะแกะ่กล้าถึงขนาดนั้นไม่มีคําว่าเริ่มปฏิบัติหรือเลิกปฏิบัติมันไม่มีการเลิกนะเพราะฉะนั้นท่านลงนอนเนี่ยถ้าเห็นรูปเห็นนามมันเกิดดับต่อเ น, นื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ใช่เริ่มปฏิบัติแล้วบรรลุนะงั้นพวกเรามันเดินค่ะกันนั่งสมาธินัน่งเฝ้าจิตวร่นแล้วก็เลิกปฏิบัติแล้วลงนอนเหมือดจะบรรลุเหมือนผ้านอนก็ไม่ได้กี่หรอก ระหว่างนั้นเวลาอานถ้าจดีดกันอ่านแล้วเราอ่านเข้าข้างกิเลสของเราไปเรื่อ ย, อย่าเข้าข้างจะคุยอะไรไม่มีก็่อจะได้ไปเดี๋ยวเราแตะทุล่าอีกทีาการกการรู้ราผรู้สึกว่าอาการว่าอาการโลกอาการโลเาผมดูคิดว่าเราอาการ รู้สึกจรินครับ้องนะอากานะรคล้ายๆกันจิทเงียบ ร, รู้ว่ามันไม่เหมือนกะันคืออันนี้แล้วแต่นะแต่เป็นไม่สาคัญเห็นยังไงก็ได้ไเห็ น, นะนมันเป็นเพียมกระทั่งไม่รู้ชื่อก็ได้น ะ, ะไม่รู้เลยว่านี่มันอาการอะไรเห็นมัมีอาการอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วอาการไหนไรก็หายไปเรนนี้ก็ใช้ได้ สัวนสำคัญกคือใจเราเป็นประตูไหมัมน่นนนผมดูไปเห็นก็เริ่มเป่าลมของลมนกานาอลัวกนักหนึ่งผมเห็นตัวผู้รู้ตัวนึงเอ้ตนตืนละแต่อย่างจงใจไปดูตัวผู้รู้นะรเราแค่รู้ว่ามันมีตัวผู้รู้อยู่ ตัวผู้รู้มันก็ทำงานของมันไปนเราอย่ไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ถ้าเราจงใจไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้จะเกิดตัวผู้รู้ซ้อนขึ้นอีกเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆปห้ปีญญาเป็นอันนั้นเราทำอะไรกันอะไรไม่ได้ทําอะไรหรอก <c oughs> เห็นทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปเห็นด้วยใจที่เป็นกลางเห็นด้วยใจที่ตั้งมัน่นดูอย่าง ส, บ, บ, สบายๆต้องระวังไม่ให้ใจไหล ใจของเราชับไหลไปหาลมนะถ้าไปไหลไปวรวมกับลมไงเวลาเราคิดรู้สึกไหมใจเราไหลไปรวมกับความคิดเวลาเราจะปฏิบัติธรรมเราดูงลมไหยใจนะใจเราก็ไหลไปอยู่ที่ลมไนลใจจะดูลงท้องเขายกใจไหลไปอยู่ที่ท้องถ้าใจไหลไปอยู่เนี่ยใจไม่ตั้งมั่นสมาธิไม่ดีใจต้องตั้งมั่นใจไม่ไหลไปไหนใจเหมือนคนอยู่บนตึกนะแล้วนะมองไปทีนน่ถนนเห็นรถวิ่งไปวิ่งมา ใจไม่วิง่งลงไปในถนนเลยเวลาเราดูทีวีใจกินกับทีวีบ้างไหมเด่นแะต่ใจเราหลงใรเข้าไปใจเราต้องถอยออกมาเป็นคนอยูไ่ได้แต่ตอนนี้ใจไหลไปคิดสักไหมเด่นต้องรู้ทันแดดเนี่ยไหลไปคิดอีกหรือยังไ ม, ไม่เล่าเหมือนเนี่ย <laughs> รู้ทันไปเก็บไว้ตรงที่รู้ทันในใจในเป็นโลกขึ้นมาเลยเด่นแน่ ภาวะแห่งการรู้เฮ้ยภาวะแห่งการรู้นี้ไม่ได้จกใจสร้างขึ้นมาแค่รู้ทันมืจิตหลงไปคิดนีภาวะแห่งการรู้ก็เกิดขึ้นแล้วอนนี้่หลงไปคิดอีกหรือยังใช่แค่รู้ทันนะความรู้ไม่ได้เกิดจากการคิดความรู้ไม่ใช่เกิดจากการคิดปัญญาจากการคิดเรียกว่าจิตตาเมายะปัญญาก็ดีเหมือนกันแต่ดีระดับหนเราต้องมาฝึกเป็ดได้ภาวนาไม่ะช่เป็น ญ, ญาณ เราตามเห็นของจริงที่เกิดขึ้นไปเองใ่เราเป็นคนดูแต่เราไม่ไหลตามนะคาว่าตามเห็นหมายถึงว่าสภาวะเกิดขึ้นแล้วเรารู้แต่ใจเราไม่ไหลตามมันไปแใ่เราตั้งมั่นเป็นคนู้เช่นความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าใจจิตมันโกรธเองนี้เรียกว่าตามรู้แต่จิตต้องไม่ไหลตามความโกรธไปจิตตั้งมั่นในการรู้าว่ ตมนสอนาตอย่างกัวตัวกูตแล้วัไม่ถูกต้องาีกเคยคิดเเคเราก็ต้องความคิดชเราก็รู้ทันนะที่มันสอนสมเหตุสมผลไหมถ้าสมเหตุสมผลเราก็ทำถ้สมเหตุสมผลไม่ทำแต่นี้ไม่ใช่ศาสนาแต่ว่าจเป็นอยู่กับโลกต้องใช้หลงยัง หลงไปหรืยังเมื่อกี้ความอยู่งความเ้นครับครับบางครั้งผมทำงานนะก็บางครั้งมันทำอผมว่าใช้การทั้งสมิได้แล้วก็บางครั้งผมเจอตอผมไม่รู้ว่าคือมันก็เป็นในใจผมคิดว่าเป็นคนตอบแล้วลองลองมาทำให้เกิดได้เริ่สมาธินะทำให้เกิดปัญญานะ แต่ว่าอันนี้เป็นปัญญาทางโลกสมาธินี้เป็นสมที่ออกนอกก็ดีดีสําหรับอยู่กับโลกแต่ทุกครั้รงที่ผมจะคิดเรื่องแนี้คผมพยายามฝังโลกหมดลงใช่ถ้าจิตมีนิวรณ์อยู่สมาธิไม่เกิดถ้านิวรณ์ไม่มีสมาธิกเกิดตอนสมาธิเกิดแต่สงบสบายสติปัญญาก็เกิดหลวงพ่อพูดเคยเล่าให้หลวงพ่อฟัง บอกว่ามีสถาปนิกนคนหนึ่งคนก็จ้างออกแบบอาคารานี้ซึ่งซับซ้อนมากเลยสมัยน้อนตึกใหญ่ๆขนาดนี้ไม่มีคนทำเท่าไหร่แกคิดไม่ออกแกคิดไม่ออกแกคิดไม่ออ ก, แ ก, ออกแกทาไงดีแก้็นั่งสมาธิไปพอ ถ, ถึงเวลาแกก็นอนพอตื่นเช้าขึ้นมานะในหัวแกก็เห็นภาพแปลนี้ออกมาก็ามีสมาธิก็มีปัญญา ก็วาา่าสุดจักรคำว่าสุดจักรใช่ไหมละคำว่างโอ้พอยายามดูรูปนำไหมดีกว่าดีกว่าเป็นว่างรู้อะไรจังหวะที่ที่เวลาคำนี้มันจะมีคำว่างมาาไม่ใช่ว่างเกิดอะไรเนี่ย เ, เป็นว่างที่พู่กับความวุ่นอเป็นเป็นความปลุกแต่งแต่วงวาง่ า, วาง ควก็ปลูกแต่ที่ละเอียดขึ้นนั้นเลยว่างๆปลูกแต่งมีสามอย่างอากุญญาที่สังขารกลูกชั่วกุญญาที่สังขารกลูกดีอาเนเชาที่สังขารปลูกว่าโดยานั้นเป็นอาเนเณชาไม่ใช่สุญที่สามเราก็ต้องเห็นเลยว่าว่างนี้เราก็บังคับไม่ได้ความวุ้นนี้เราก็บังคับไม่ได้เนั้นแต่ว่างเปล่าจากการเป็นตัวเป็นตนเห็นที่ดีใช่ไหม น้อมใจแดงดูเลยสุดยันตนากเราเห็นว่าก็ในช่วงนี้ก็น้องใจแดงดูเลยแต่ว่ายังเป็นสัญญาณเป็เป็นสัญญาณต้องรู้รูปนามไปได้วยเห็นใจรักของรูปนามไปได้แล้ววันหนึ่งอาจจะเห็นตอนที่บรรลุพระอราหัรก็ไม่ใช่พระราารอรหันต์กู้โองหลุดคนด้วยสุญยันต์ปากมิโมพระโมค์ก็หลุดคนด้วยการเห็นความไม่เที่ยง เราหลุดพ้นด้วยความเห็นว่าเป็ดทุกคนเห็นบอก ว, าวา่าไม่เราจะ่าไปเอาปลายทางต้ออาต้นทางต้นทางต้อ็ฝืนการรู้ทุกถ้ารู้ทุกแก่นแจ้งจะละสมุทรใส่ ไ, ได้ถ้าละสมุทรใส่ได้นิโรธเป็นสิทธิ์เดิมการที่จะเห็นนิโรธเนี่ยมันต้อนฝืนมาได้รู้ทุก น, นั่นแหละรู้ทุกแก่นแจ้งทางท่านก็รู้ทุกแก่นแจ้งเห็นว่าส่วนจิต คือการภานาพอเดินถึงขั้นสุดท้ายจะลงมาที่จิตลงมาที่จิตจะเห็นว่าตัวจิตมันไม่เที่ยงจิตที่ผ่องใสเนี่ยมันยังมองๆได้แต่ท่านใก็เลยรู้อย่างนี้โ่าจิตนี้ไม่น่านับสือต่อไปละถึงพวกนี้เป็นพวกที่ศรัทธากล้าดจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจะเห็นความเป็นอนิจจแต่ก็ยอมละเพราะว่าศรัทธามากเนี่ยจะมา่นศรัทธาสูงคาดว่าไว้สูง เสือส่อศรัทธาต่อตัวจิตผู้รู้เลยเห็นว่าจิตผู้รู้ที่เป็นของพึ่งผ่าไม่ได้มันมองได้ใจกงหมดความยึดถือจิตถ้าคนไหนทรงสมาธิสูงนะจะเห็นทุกข์ของจิตถ้าตัวจิตของผู้ทรงสมาธิมีแต่ค ว, วามสุขถ้าไม่ไม่เห็นเป็นตัวทุกขึ้นมานะมันจะพลิกเป็นทุกข์ให้เห็นนะเห็นเป็นตัวทุกขึ้นมาเนะี่ยมันถึงจะยอมปล่อยวางจิตเมื่อนี้จะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์ พวกที่ปัญญากล้าในสิเกตเลยว่าที่เห็นเห็นอยู่ไม่เอ็มเกี่ยวอะไรกับเราเลยเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้พวกปลูกอะไรไม่ได้ที่ป็นกินไปูนเนี่พวันนี้หลุดพ้นด้วยการเรียกได้ว่าสุญญาตาปีโมอยู่ๆเราอย่นะอยไพูดเนระื่องสุญญาตาให้รู้ลุกหนังไหมเออที่เจ้สอนให้รู้ทุกต้นทางอยู่ที่รู้ทุกเหมือนบางคนอะ่ะเป็นตางหลงู ด, ดือนสอนตังคู่ ด, ดุอนสอนเนาะว่วางสว่างบริสุทธิ์ หยุความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างดูเป็นสุญดตาใชนไหมเรื่องมันปหลผ่านแล้วอะไรเป็นตัวมั่งอะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมั่งจิตเห็นจิตอย่างไรถึงไม่ว่าจิตเป็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นว่าจิ ต, น, จ น, ตนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี้ยนั่นเป็นอรหันต์สมัครงั้นเราไม่พูดถึงสุดตาอะไรกันแล้ว เพราะว่าถึงเราพูดถึงส่วนนตาจิกตก็ยังยึดรูปนามอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรการปฏิบาตถ้าเราเปปฏิในรูปแบบเราจะรู้ทำบ้านช้าทำบ้านเย็นในขณะที่เราสวดเราเราก็ดูรูปนามเป็นลูปฌ่ะดูว่าใจวนวนไปใจมันวนแล้วแต่ละวัน ใจมันฟู้งต้านนะก็ส่วนคนไปคิดถึงก็พุทธิย่าไปอะไรนแต่ได้สมาธิแต่สงบแต่สงบมีเรื่องมีแรงนะส่วนไปเห็นร่างกายมันส่วนใจเป็นคนดูมือีส่วนไ ป, น ส, นไปส่วนไปใจหนีไปที่อื่นนะแต่ปากเขายังส่วนไม่ปิดเลยนะส่วนไม่ไขายสันหลังเราก็รู้ว่าใจหนีไปงั้นถ้าทํำมิปัสฉนาได้ก็ทําไปทำมิปัสฉนาไม่ได้ก็ทําสมถะ ันงใช่ตัวสําคัญนีก็คือฝังต่อเนื่องทําประจําไม่ใช่ทําบ้างหยุดบ้างอย่าชวนเราตั้งใจเดินจบลมหรือนั่งส ม, มาธิวันละครึ่งชั่วโมงต้องทำทุกวันไม่ใช่วันนี้เป็นแล้วพรุ่งนี้ไปทำหนึ่งชั่วโมงเฉยไม่ไดกินหรอกกิเนเลยเราไปกินหมดเลยอ่อนแอคือตั้งจัดจัดนะตั้งใจไปแล้วต้องทํา กราทำให้ได้คัูบาาจารย์สอนอะไรอย่างนั้นฮะหลวงพ่อคุทธท่านเคยเล่าว่าราองค์หนึ่งเป็นพระราลานท่านท่านเดินจบลปท่านเดินเดินเดินตอนนั้นยังไม่เป็นหรอกยังไม่ใช่พระราหันท่านก็เดินจบลกตั้งใจวันทุกวันต้องเดินเดินไปเรื่อยในเดินเท้าท่านแตกหมดท่านเดินไม่ได้ท่านก็กลา่ไถ้าเป็นเราเท้าแตกเราทําเงไเราก็ปะเท้าเราก็นั่งพักลักษ นี่ท่านก็ยังคลานตาจะหัวเป่าแต่กมือแตกหัวเขล่าแตกท่านก็ยังนอนนะโอเคนอนนอนพลิกไปพลิกมานะี่ท่านถือว่าท่านเกิดจบลงอยื่อีความเด็ดเดียยเด่ยวที่สําคัญมากถ้าใจโรเดเยาะๆแย่ๆทาเป็นด้วยความรักตัเอง ม, มีทางต้องเด็ดเดี่ยวยแต่ท่านโสดาสรธรรมตายยังไม่ยากอนะไรให้ถึงขนาดต้องเอชีวิตข้อแรกออกมนอยู่ที่ตัวปัญญา โสดาบันละละสังโยชน์ด้วยทัศนะด้วยการเห็นถูกเท่านี้ในขั้นที่ทสูงขึ้ไปด้วยการภาวนาด้วยการเจริญนี่ต้องอดท น, นมากเนี่ยพวกเราเรามาฝึกความเห็นถูกไม่ใช่คนอย่างความเห็นกลิ่ข้อหนึ่งคนะุณนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแมันจะเปูปควเห็นกิ่นแบบนี้ยนือสีบปนรุปหมดนะเนมหาภัวสอน ถ้ไม่พีนายแยกธาตแยกขันธ์เนี่ยวมักปุ๋ยว่ามีปัญญาเป็นมาควรว่าเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันเป็นไงเห็นร่างกายเป็นมั่งใจเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะแยกเป็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาใจเป็นคนดูแยกเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาใจเป็นคนดูทีเรียกว่าแยกเพราะเราเราแยกไม่ได้ใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้ถ้าใจเป็นผู้เคลิมเลมได้กินออกมันไปรวมเป็นหมดนี้มีุษิ์ ให้แต่พย่ามให้นนะก็ทำานะให้เราเหน่อยนั่งหรือบินเนียเหนื่อยกนนะแล้ทาชาทำบยแล้วาก็งานี้ในตรงใช่คะวในระหว่างที่ทงานไปเวลาว่างเราก็ดูิด้วยใช่ทำแนี้วนวเรียนอถ้าทำได้จริงก็กพอนะหลวงพ่อก็ทำไปอย่างนั้นเลยหลวงพ่อแต่ว่าฝึกสติด้วยนะเนตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ย เห็นจิตตื่นต่อนร่างกายนะทำได้ไหมจิตจะไปเคลื่อนขึ้นจากรวัตร่างกายยังนอนอยู่เลยทำขึ้นมาแล้วเดี๋ยวร่างกายก็เคลื่อนไห่ได้ทีหลังแลก็ทำในรูปแบบแล้วะเจริญสติในชีวิตประจำวันต้องไม่ไม่เห็นแก่งกินไม่เห็นแก่นนงน อ, อนสู้รวบทั้ตอนตื่ ตัวเองนะการตื่นนะหลวงพ่อจีนมากเยอะๆแต่เดี๋ยวก็ปวดฉี่แล้วนอนนานไม่ได้เดินี้มาได้ภาวนาเพระฉะนั้นเหนื่อยๆนะเดี๋ยวหลับยาวต้องตืนะหลวงพอนอนบนไม้กระดา น, ะนเนีแต่เอกะราวา่ามันจะไม้ได้สบายมากงพมิจิตช้ารแแต่เมื่อนอนก็้เพราะว่าไม่ได้เกจตนา ตาห น, น้างเป็นโลแล้วกระบวนการเป็นการจิตวิิเกิดรแต่ตาห้าเราไม่ขาสติเดี๋ยวหน้าสมาธิเหมือนนอนหลับไหมไม่เหมือนหอกมีสติถ้านั่งสมาธิแล้วเหมือนนอนหลับนะเป็นอนจะิีกว่าเดี๋ยวพอเด็กนั่นบบงไปพอเเขาก็ฝันเรียกสก๊อลยวนะ่าเกิดมี ม, น <laughs> ม, มินมีมฝันเมื่อไหไอ้ลอยไหม เราสิบี่นาครัจผมเคยได้แล้วบางทีได้ขับตัวตัวเอตี้คืผมเห็นแล้วก็ยอมรับว่าบันทีก็ทกนะครับว่าช่วงหลังไม่เห็นอันนี้ผมถ่ายไปถ่ไป้องทีถ่ายไปก็ช่างมันเกิบด้วยแต่จะเอายิ้ไหม อาารทองอินเมื่ออยู่วัดสันติธรรมเป็นเจ้าคุณอะไรลบอะไรติดไปรล้วโยรศีลดุษีให้แก่เล่าให้หลวมพ่อฟคุณอยู่กับท่านตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้ปวดนะหลวงปู่ศิลป์ได้เจอแวอาจารย์ทองอินแวะอาจารย์ทองอินท่านเล่าว่าตอนท่านออกภาวนาใหม่ๆท่านไปอยู่ในถ้ำนั่งนั่งโย่ชอบนั่งกองเว ขอลอตเตอรีอ่พอหวยอะไรเงี้ยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยนี่พอโยมมาพูดเรื่องหวยมากๆนะใจมันสนใจนห้เรานั่งๆไปนะเห็นเลขขึ้นที่ผนัง้าพ่ะหกตัวไม่ใค่เลขสี่ตัวสามตัวนะขึ้นทีเดียว6ตัวเลยช้าขึ้นมาให้เขาไปบอกโยมว่าว่าตคยได้ฝันเห็นขึ้นหกตัวโยมไม่ซื้อหรอกมันจะอะไร ให้หวยทีเดียว6ตัวไม่ซื้อนะออกเป๊ะในวันที่หนึ่ง6ตัวนะพอรอบสองได้ตังสมาธิเกีนีก6ตัวชาวนิยมมาเยอะแยะเลยนะมาถามท่านท่้นก็บอก6ตัวที่ปลุกเป๊ะเลยปกตั้งที่สองุ้ยคราวนี้ยคนร่าลือเปนใหญ่มาล้อมท่ำท่าทนมาเยอะเลยนะท่านบอกว่ใจท่านชัดถูกต <c oughs> <c oughs> ั้งนะเก่งเว้ครางที่สามนันออก6ตัวปุ๊บ ออกไม่ถูกสักตัวเลยไม่จำเป็นวยอยู่แล้วเออเออดีนะวยน้เนรื่องอพิที่ยังไงจะรวยก็รวยจิตอยากไหมจิตอยากรู้ว่าอยากหเ่องไหน ก็คอยรู้ทันจิตจิๆอย่างเราพูดเนี่ยกีฬาข้าวแท่งกีฬาโทรศสั่์แท่คอยรู้ทันไปเรื่อยๆต้องฝึกเปนนานรือบ่อยๆเป็นชำานาญนะกิเลสใจไหว้อยรู้ทันรู้ทันคือถ้ารู้ได้ก็รู้ไปรู้ไม่ได้ก็พูดโพลไป ให้แต่งแต่ทำความสงบเว้หลวงูสุวรรณเคยเล่า้าท่าน เ, เดียรเดยรวงูมั่นโลวงูมันสอนท่านบอกดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทาําความสงบมันที่ดูกายก็เพื่อให้เห็นจิ ต, ตอย่างนี้นะดูจิตเพื่อให้รู้ยิ่งขึ้นไปนั่นแหละมันกลุงกิเลสขึ้นมย ตาหูจมูกนิ้แก่ใจกระทบอารมณ์นะอนุสัยกิเลสปบุงพุ่งขึ้นมาเป็นตัวกิเแล้วก็มีหน้าที่แค่เห็นแค่เหน็นเริ่มขึ้นเองเนีมันก็หายไปเหมันตกอยู่ใต้ความไม่เทีย่ยงต้าดูใจรักนะไม่ดูใจรักไม่ได้กินหรอกในชือ่อตธมมันสงสัยขึ้นมากับวมันนีมสงสัยหรือว่าสงสัย ก็รู้ทันเราสิเกิดสงสัยอีกอได้ยินจริงหรือเปล่ารู้ว่าสงสัยอีแรกก็สงสัยในการปฏิบัติเกิดได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกสงสัยอีกไม่ได้ยินจริงหรือเปล่าหรือจิตหลอนนะมันสงสัยซ้อนปีกกลัวแสดงว่าเป็นคนช่างสงสัยให้รู้ทันลงไปเลยอย่าไปเชื่อการปฏิบัตินั้นเราต้องการให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม ทั้งหลายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นมาเมื่อลูกัระธรรมนามธรรมทั้งหลายอย่างเช่นความสงสัยให้เป็นนามธรรมอันหนึ่งเราต้องการเห็นอะไรเราต้องการเห็นแค่ว่ากระทั่งความสงสัยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เช่นเดียวกับสภาวธรรมอย่างอื่นนั่นแหละเราไม่ได้เรียนเพื่ออะไรแต่เราเรียนเพื่อเห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงสภาวธทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วสับั้งสิ้นตรงนี้ทหาที่ทําให้คนบรรลุพระโสดาบัน ไม่ได้มนรษย์พระโสดาบาันเพราะน่าสมาธิเก่งมนุษย์พระโสดาบาันเขาเห็นว่าทำทั้งหลายนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาดังนันเรื่องความสงสัยเกิดขึ้นถ้าเราไปคิดหนึเราเสียเวลาขัดทันไปหนึ่งขณะละหนึ่งอารมณ์นะอารมณ์นี้แทนที่ความสงสัยเกิดขึ้นแทนที่เราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดแล้วก็ดับไปกลายเป็ว่าเราไปตอบสนองมันมันก็เหมือนความโกรธเกิดขึ้นแทนที่เราจะรู้ว่าจิตโกรธขึ้นมา เราก็ไปหาทางบำบัดความโกรธปะตูมันหลอกเสียเวลาอีกหนึ่งมีตงนสูา่พ่เลใจมัน <c oughs> ไปร้กู้สึกรธมทพอรู้สึกนแล้วก็างี่ทำใันนในเรยออรคครับเยแต่ว่านนน <c oughs> ยังรู้สึกยัรู้สึกตัวให้เรารู้หน้าที่นะจนะเป็นเจริญสติ ยิ้งเป็นเจริญสมาธิขับรถนี่ไฟใหญ่ไปมีมรนนูกิษยตัวก็ฝันนะขับรถเจจกิดิรวมมิจิจิตรถจิตรวมเป็นสมาธินเป็นรตจิตไฟแดงเห็นไฟแดงอ่ะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรจิตไม่แปไม่อยู่นะ่ะชนมีเดียวหาพันั่นเสียไม่ให้ขับรถอีกเลยเจ้ารูกศิตัวเองเหนไขับรถ ไม่ทาอะไรอ่ะแลนก็เห็นเลย่าจิตคิดจิตนี้จิตรู้จิคิดก็ไม่เที่ยงเยจิตรู้ก็ไม่เที่ยงดูใจรักทางเส้นนี้ไม่อย่างนี้ใครได้ยินไหมเรื่องพระอศจิตสอนพระสารีบุตรเยธรมมาเหตุปปาวาเยสังเหตุตะถาคโตเหนไหมตสันเจยอนิโรธจะมีวังวารีมหาสมนนติท่านฟังแค่นี้ท่านได้โสตาน อนนเป็นกลุ่มอริยาสาัจอยู่ทำใดเกิดแต่เกตดทำอะไรที่เกิดแต่เกิดก็รูปประนามใช่ไหมเกิดแต่เกิ ด, ดรูปปนามหรือทำใดเกิดต่เกิ ด, ดท่านสอนอะไรสอนตัวทุกถ้าสถานโคตรเจ้าแสดงเหตุแห่งทำนั้นนี่สอนตัวสมุทยัยและแสดงความดับแปลงการทนั้นที่ตัวนิโรธ พระตถาคตเจ้ามีปฏิปิกล่าวอย่างนี้การที่รู้รูกล้าสมุทยัยแก้งนิโรธและแล่นภมิดังนนท่านสติปัญญาท่านแก่กล้ามากนะตะฟังแค่นี้ท่านเข้าใจอริยสัจใช่ไของเราฟังแล้วเขาจเยอะหนออริยรสัจสามัญ น, นะสามัญที่สุดถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจจะเบียงไปใกลเกินไม่ไม่สิ้นสุดเลย เอาละเอาลเดี๋ยวพ่อจะไปรบต่อมีนัดกับตุอาจารย์ในสี่กก็เชิญย่นินพ์ที่ท่านร่วมกันกันหลวงพ่อเรียน้องเพรียกันนะครับกระากรากระาครับขอเรียนเชิญคุณพ่อพุทธสสวิสตานนท์ได้ถวายไปภาวนานะครับเนื่องจากว่า ถ้าถวายเป็นเงินจะไม่เงือกทวีนยัยะก็จะถวายเป็นไวร์พรานาทั้งหมดหนึ่ ง, งืนกับหกสิบหกบาทหนึ่งมืหนึ่งนหกัน 1, 60, บกาทกล้วเป็นมูลนาริการนะครับสาธุต้องรับผอนไหมไม่ต้องนต้องไหมต้องการไหมมีที่พอมีแต่ต้องการ ยะถาวาริวะผูรั e ริภูเรนทีสักะรังยิวเมวายโตทินังเตสนังอุปกระปติยิชิตังปิตังตุมหังกิพเมวสมิจตุสเปภูเรนตูสังขปะ t หนโทพนรโสยะถามณิชวติรโสยะถาสปิโยวิวัชชนตูสภโรโควินัสตูมาเตภวัตมัณตราโยสุขีทิอายุปภวะ อาภิวาตนาสีริสนิทยาอุธาป จ, จายโนกตตาโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพะหลัง